อพอยมีอะไรถามเองไหมพอยส่งก่อนแล้วค่ะค่ะก็ก็หลังจากเมื่อวานซืนก็พอยเห็นแล้วค่ะว่าว่าเวลาเวลาที่มันมีมีมีม เออ่รู้ติดหรือว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยพอเห็นละอาการดึงกลับมาของตัวเองคือมันไม่ได้จบแค่รู้มันรู้ปุ๊บแล้วมันก็มีมีดึงมีดึงมาอีกทีหนึ่งตรงที่ว่างๆนิ่งๆที่หลวงที่หลวงตาบอกอะคะ่ะอันนี้เห็นละเออ่แต่ก็ยังแต่ก็ยังก็ยังก็ยังดึงอยู่อะคะ่ะยังยังดึงแต่แต่รู้แล้วว่าดึงคราวนี้ก็ก็พอเห็นว่าอันนี้ก็ปล่อยก็ปล่อยได้แล้วก็ยังรู้สึกว่ายังรู้แบบ ไม่ก็รู้แบบเหมือนไม่ใช่เหมือนคนไม่มีกําลังอ่ะค่ะเหมือนคนไม่มีกําลังไม่รู้ว่าต้องไปทําสมาถิเพิ่มหรือเปล่าอย่างั้นมันเรารู้เป็นตัวเราเอาตัวเราไปรู้เอาขันห้ามันยึดขันห้ามันยังเอาปรุงแต่งเป็นตัวเราไปรู้มันไม่เป็นธาตรู้ตามธรรมชาติมันไม่ต้องการกําลังอะไรหรอกมันก็ได้แต่รู้ก็ก็ก็รู้รู้อย่างนั้นก็คือรู้ไปแค่นั้นพอรู้แล้วก็ขอมีปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิ คือยียบตัวเราไปรู้ไอเป็นธาตุรู้เขารู้คือตอนเนี้ค่ะมันจะไม่ได้รู้มันไม่ได้รู้อัตโนมัติเหมือนต้องเริ่มตรงใจจะรู้นิดหนึ่งแล้วก็ถ้าจะรู้จิตเนี่ยตอนนี้คือต้องเหมือนเริ่มตรงใจจะดูกายก่อนแล้วมันจะถึงตามตามเห็นจิตมาแวบหนึ่งมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้แบบชัดเหมือนสมัยก่อนที่สติอัตโนมัติปุ๊บปุ๊ป๊บอย่างนั้นนะคะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นมันในในมันมันเอาเอาตัวเราไปรู้ มันเอาตัวเราไปรู้เอาขันห้าไปรู้รู้เนี่ยมันก็รู้เนี่ยวิญญาณขันเนี่ยมันก็เป็นขันห้าแน่แต่มันรู้ตามทาวารแต่ผู้รู้ไม่มีตัวตนนี่ได้ฟังสีดีได้ฟังฝายเสียงมาบ้างไหมฟังนานๆทีค่ะฟังห่างๆมมันจะไปทำความเข้าใจเรื่องอย่างงี้ก็ต้องอธิบายตั้งต้นใหม่เลยถ้าไม่ได้ฟังมาลําบาก<อ>คือ เวลาเรารู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันประตูห้าหกประตูเนี่ยประตูหกประตูอ่ะมันก็ต้องเอาวิญญาณขันในขันที่ห้าเนี่ยไปรู้ค่ะไปรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกประตูพอรู้อะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเอามาส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารในใจเราส่งต่อเวทนาก็คือเราถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือว่าไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนา ไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอุทกขมสุขเวทนาแล้วก็ส่งต่อสัญญาจําได้หมายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ส่งต่อสังขารคือคิดปรุงปรงคิดแล้วก็พูดหรือพากพาคอะไรอยู่ในใจคิดตึ่องวิเคราะห์วิจารณวิจัยอะไรตัวเนี้ยที่วิธีปฏิบัติแหละเราก็สํารวมทั้งห้าประตูประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายห้าประตูประตูที่สัมผัสภายนอก แล้วก็ให้มีสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจล่ายอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจที่ประตูใจอ่ะทีนี้ถ้าเรารู้อยู่ที่ใจไม่ว่าจะไปขณะจิตที่ไปรับรู้รูปแล้วกินเสียงสัมผัสมันก็จะต้องเอามาปรุงเอามาคิดเอามานึกมาตึกมาต่อมาปรุงอยู่ในใจมาปรุงมาภากว่ายังไงมาคิดมันตึกตองอะไรอยู่ในใจไว้ยังไงกิริยาการทุกชนิดเนี่ยที่มันไหวๆตัวที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยที่มันไหวๆตัวแล้วก็ส่งต่อวิญยัน ตัวต่อไปมารับรู้เนี่ยที่มีกิริยาการไหวตัวได้ในภายในใจเราทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกิริยาการที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆทุกชนิดที่มันไหวตัวได้ภายในใจแล้วเกิดดับแล้วก็เปลี่ยนแปลงสลับหน้าได้เรียกว่าธรรมอารมณ์ธรรมอารมณคือรับรู้ได้ทางประตูใจเราเปิดให้ประตูใจเนี่ยเขาแสดงกิริยาการธรรมอารมณอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซนตแต่ก็แค่รู้แค่รู้เขาไม่หลงติดไปแล้วก็ไม่พยายามไปดับเขา แค่รู้แค่รู้แค่รู้อ่ีนี้เมื่อเราทารวมห้าประตูแประตูตาหูจมูกริ้นกายห้าประตูเราเปิดประตูใจไว้ประตูหนึ่งมันก็ง่ายแล้วแต่นี้ทั้งวันเนี่ยเราทํางานไม่ให้ผิดพลาดให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้มีสติสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทุกขณะปัจจุบันในการทํางานไม่ให้ผิดพลาดคือใช้ชีวประจําวันเนี่ยไม่ให้ผิดพลาด แต่จะต้องสติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจคือสํารวมทั้งห้าประตูตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เปิดประตูใจไว้เต็มที่หนึ่งประตูแล้วก็ให้สติตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ใจสังเกตที่ใจละใจปล่อยวางที่ใจที่ประตูใจโดยที่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้ไม่ปรากฏกิริยาการของผู้รู้ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้รู้มีแต่ธรรมารมกิริยาการภายในประตูใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ดังนั้นเมื่อไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้เนี่ยไม่ปรากฏกิริย า, าการของผู้รู้มันจึงไม่ต้องใช้กําลังอะไรมันเป็นแต่แค่สัคตะวารู้สัคตะวารู้คือตัวตนของผู้รู้ไม่มีมีแต่อาการที่ถูกรู้มีแต่อาการที่ถูกรู้มีแต่อาการที่ถูกรู้อสติสติกับปัญญาเนี่ยมันมาใช้ในขั้นของโยนิโสมนัสิการว่า เนี่ยมันมีแต่อาการที่ถูกรู้มีแต่อาการที่ถูกรู้มีแต่อาการที่ถูกรู้ทุกขณะปัจจุบันแต่ตัวตนของผู้รู้ไม่มีไม่มีตัวตนของผู้รู้ตัวตนของผู้รู้ไม่มีมีแต่อาการของผู้รู้การรู้ก็เหมือนกับว่าเวลาตาเห็นรูปเนี่ยเราก็รู้รูปแต่จะไม่ปรากฏว่าจะไม่รู้สึกว่ามีตัวเราอะเป็นผู้รู้รูปก็คือเห็นรูปไปเลยคือธรรมชาติเนี่ยเวลาตาเห็นรูปมันก็จะเห็นรูปไปเลยแต่จะไม่ปรากฏว่า มีตัวเราเนี่ยเป็น <t> คน <East>. ร <Hugo> <t> ู้รูปเวลาหูได้ยินเสียงเนี่ยก็จะได้ยินเสียงไปเลยจะไม่ปรากฏว่ามีตัวเราได้ยินเสียงพอจมูกได้กลิ่นมันก็จะได้กลิ่นไปเลยจะไม่ปรากฏว่ามีตัวเราอะได้กลิ่นพอรู้รสเนี่ยมันจะรู้รสไปเลยจะไม่ปรากฏว่ามีตัวเราเนี่ยไปรู้รสพอมีสัมผัสอะไรมันก็จะรู้สัมผัสเลยร้อนอ่อนเย็นอย่างเนี้ยยตีตีเจ็บมันก็เจ็บไปเลยเนี่ยแต่มันจะไม่รู้ไม่รู้สึกว่ามีตัวเราอะเป็นคนรู้ เวลารู้ธรรมอารมณ์เนี่ยรู้อาการทางใจรู้เวทนาสัญญาสังขานรู้อาการทางใจมันก็รู้ไปเลยแต่มันไม่ปรากฏตัวตนว่าตัวเราเป็นผู้รู้เนี่ยคือมันรู้ธรรมชาติอย่างเงี้ยที่เพราะความไม่ปรากฏตัวเราผู้รู้เป็นผู้รู้ไม่มีผู้รู้เป็นตัวเรามันก็เลยไม่มีตัวเราเนี่ยไปยึดถืออะไรให้ให้ให้เป็นทุกข์นั้นทุกข์กายกาการเนี่ยมันจะไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้อยู่ตลอดเวลาต้องงเนี่ย เราก็สังเกตเอาอยู่ตลอดเวลาเลยสติเนี่ยจะต้องไม่ไม่ผิดพลาดเลยจะต้องสังเกตตลอดเวลาว่ามันมีแต่สิ่งที่ถูกรู้ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้เดี๋วนั้นไม่ต้องใช้กําลังแบบว่ารู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊๊อะไรอ่ะก็รู้อย่างธรรมชาติเนยนะตาก็เห็นรูปจมูกก็รู้กินลิ้นเออหูก็ได้ยินเสียงจมูกก็รู้กินลิ้นก็รู้รสกายก็รู้สัมผัสแล้วก็รู้ว่าในในใจมีอาการเกิดขึ้นแต่ไม่มีไม่มีตัวตนของผู้รู้นี่ก็คือธรรมชาติเราเห็นก็ ตามองเห็นลุงตาเนี่ยก็เห็นแต่รูปลุงตาหูได้ยินเสียงก็ได้ยินแต่เสียงลุงตาแต่ไม่เคยมีใครว่าย้อนมาว่ามาบ่อยตัวมากํากับอีกทีว่าตัวเราเป็นคนรู้นะตัวเราเป็นคนรู้นะตัวเราเป็นคนรู้ไม่มีใครพูดอย่างเงี้ยไม่มีใครทําแบบนี้มีแต่เห็นก็เห็นไปเลยยินก็ยินไปเลยเวลารู้อาการทางใจก็รู้ไปเลยไม่มีใครมาย้อนอีกทีว่าตัวเราเป็นผู้รู้นะตัวเราเป็นผู้รู้มันไม่มีแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นต้องการใช้กําลังอะไรอือเริ่มเห็นอย่างหนึ่งอะค่ะว่าว่าเหมือนรู้แล้วแล้ว มันเหมือนมีตัวเรามามาอีกทีหนึ่งคือมันไม่ตบแค่รู้แล้วพลอยไม่ทันไอตัวไอตัวที่ต่อจากรู้อะค่ะที่เม่เป็นรถ้าถ้ า, or, ถามันมีตัวที่ต่อจากรู้รู้สึ ก, กว่ามีตัวเราเป็นผู้รู้ใช่ไหมก็ให้เห็นว่านั้นเป็นทำมาลมหละเพิ่งเพิ่งเห็นตอนที่เ พ, Young, พ Young, ิ่งเพิ่งเห็นตอนที่หลวงตาชีน้นะคะก็ะคือนเนี่ยทุกอาการแม้แต่มันมันไปรู้อะไรแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามีตัวเราเป็นผู้รู้ต่อมาอีก ถ้าอย่างนี้มันก็เป็นธรรมอารมณ์เพราะว่ามันก็เป็นอาการที่ต่อมาเลื่อยต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยก็ปล่อยทุกอาการแล้วเป็นธรรมอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสามผัสเป็นอายตนะภายนอกก็แต่รู้อายตนะภายนอกไม่ปรากฏอายตนะภายในไม่ปรากฏผู้รู้ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้เข้าใจไหมเนี่ยอืม เข้าใจค่ะแต่ว่าคือมันยังรู้สึกเทียบเคียงกับของเก่าอะค่ะว่าคือเดี๋ยวนี้สติมันเกิดไม่บ่อยแล้วก็มันก็ไม่ทันเยอะอะค่ะอยังไงเดี๋ยวเดี๋ยอย่างอย่างอย่างเวลาสมมติรู้แล้วแล้วก็มีตัวมีตัวปรุงมาต่อว่าเออนี่มันรู้เบาไปนาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยตัวหลังเนี่ยพอจะไม่ทัน แต่ว่าเมื่อกี้หลวงตาชีโอเคพล อ, อยนึกออกหละแต่ว่าคือถ้าเป็นตะกอนเนี่ยตัวพวกเนี้ยเราจะทันหมดเลยเราจะแบบก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวนี้มันเราต้องไปทําอะไรเพิ่มหรือเปล่าไม่ใช่จะผิดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเังเขาใจผิดคิดว่าทิศคิดว่าถูกแต่คือจะผิดนะเนี้ยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเราสามารถที่จะรู้แล้ ว, ลวมันไม่มีต่อค่ะไม่ได้แต่แค่รู้ค่ะอันนี้เขาใจผิดนะเขาใจผิดอื เขาใจผิดเดียเด๋ยวเดีเดี๋ยวเดวเปลี่ยนเปลี่ยนเ ล, ล้างเลยล้างล้างล้างเลยล้างล้างความก็ใจผิดคือมันรู้แล้วมันจะมีมันจะมีกริยาการต่อมันไปเรื่อยๆเนะี่ยแต่ทุกกริยาการที่มันต่อไปมันเป็นทรอารมณ์เป็นอายาตนะภายนอกหมดสิ่งใดก็ตามถ้ามันแสดงกริยาการขึ้นมาเนี่ยมันไปทำอารมณ์หมดเลยอะล่ะเราจะไปหมายว่ารู้เราจะมันไม่มีอะไรต่ออย่างงี้จะเออแล้วก็จะกลับไปแช่เอออย่างเงี้ยไปจมเลยเพราะว่า มันจะกลับไปกลับไปล่องเดิมคือรู้แล้วหมายว่ามันจะต้องรู้แล้วไม่มีอะไรต่อเฉยรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยจะไม่มีอะไรต่อจากรู้อันเนี้ยแช่เลยนะแช่แล้วจมเลยเนะี่ยก็คือ<ม>อันทิ่ตอนก่อนหน้านี้ที่ไปดึงกลับมาใช่ไหมคะอืี๋ยวเดี๋ย ว, ยวถ้าไม่ไม่แก้ความเข้าใจผิดจะกลับไปปฏิบัติอย่างเก่าแล้วแช่อีกค่แะแล้วแช่เนี่ยอันตรายข้ามภพข้ามชาติเลยแช่ไปข้ามภพข้ามชาตินะถ้าชาตินี้แก้ไม่ตกอะแช่ข้ามภพข้ามชาติเลยเป็น e, โรคเอสแอโรคอะไรตามมาเยอะแยะ โรคภัยพุ่มโรคภูมพวงโรคภูมิคุ้มการบกพ้องอะไรอีกอีกโรคหลายโลกตามมาเนี่ยดันั้นต้องเข้าใจให้ได้ว่าเนี่ยมันจะรู้อะไรแล้วมันจะมีอะไรมันจะมีกิจกราการมอะไรต่อต่อต่อต่อต่อต่อมันก็เป็นธรรมารมเป็นอายตนาภายนอกหมดอะแล้วก็มันจะไม่ ป, ปรากฏตัวตนของผู้รู้มันก็ปรากฏแต่อายตนาภายนอกเป็นอาการอาการมันก็คือเราก็ดับไปเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงแต่ ในตัวตัวตนของผู้รู้มันจะไม่ปรากฏมันก็เห็นรูปเนี่ยตายเห็นรูปมันก็เห็นแต่รูปไม่ปรากฏตัวเราเพราะว่ารูปนี่เป็นอายตนาภายนอกมันก็จะปรากฏแต่อายตนะภายนอกแต่มันไม่ปรากฏตัวเราเป็นผู้เห็นเนี่ยได้ยินเสียงมันก็ได้ินแต่เสียงเสียงเป็นอายตนาภายนอกจะไม่ปรากฏตัวเราผู้ได้ยินเสียงแล้วก็มีมีอาการอะไรต่อให้มันไปรู้อะไรแล้วมีอาการอะไรต่อต่อตไปเรื่อยๆในในใจของเรามันก็เป็นธรรมอารมณ์เป็นอายตนะภายนอกมันจะไม่ปรากฏตัวเราเป็นผู้รู้ มันมีแต่ปรากฏแต่อายะตะนะภายนอกแต่มันจะมาปรากฏตัวเราเป็นผู้รู้อืถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเมื่อไหร่แสดงว่าอันนั้นคือจริ ง, รงๆคือต้องเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกไหมคะถูกต้องเลยเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นธรรมอารมณ์เป็นอายะตะนะภายนอกตรงเนี้ยจะต้องกํากับด้วยสติปัญญาตลอดเวลาเลยพลาดไม่ได้เลยว่าถ้ามันมีอาการเพิ่มขึ้นมาไหร่ก็เป็นธรรมอารมณ์เป็นอายะตะนะภายนอกไม่ใช่ว่าเราไปตัดตอนมันไม่ให้มีอาการ ถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยเมื่อไม่มีตัวตนของผู้รู้มันจะไม่มี ใ, ใครแช่เข้าใจจริงหรือเปล่าอือก็เดี๋ยวะะต้อง ไ, ไปดูเพิ่มอะค่ะแต่ว่าก็เริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเห็นจุดที่พลาดแล้วคะเออไปไปดูเพิ่มยังไงเอาไยนบอกสิเดี๋ยวต้องตาจะกลับแล้วหรือเป็นบวจะกลับไม่ทิ้งก็แช่ายแล้วคือคือจริงจริงจริงจเนี่ยติดมันก็ปรุงไปเรื่อยๆค่ะเออจุดที่จุดที่รู้เนี่ยมันจะไม่ มันจะไม่มีตัวผู้รู้ไว้ก็คือรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็อาจจะเรียนรู้ธรรมลมต่อไปถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ามีมีตัวเรามีตัวผู้ถูกรู้ขึ้นมาจริงๆไอ้ผู้ถูกรู้เนี่ยคือเป็นธรรมลมถัดไปที่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วถ้าขนาดจิตใดเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้รู้ไอ้สิ่งนั้นเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ต้องถูกรู้เออก็เป็นธรรมลมเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวใหม่เรื่อยไปคอย่าพยายามไปตัดว่าจะ ต้องไม่มีอะไรจะต้องรู้แล้วไม่มีตัวเราจะต้องรู้แล้วมันจะต้องเฉยรู้แล้วจะต้องไม่มีอะไรต่อจากรู้ไม่พุ่งแตกต่อจากรู้อันเนี้มันจะแชร์นั้นแล้วกดเลยค่ะกดแล้วแช่แล้วก็ซึมไปเลยอ่ะเหมือนที่เราบอกว่าเหมือนมีอะไรมาหุ้มอยู่ตลอดอ่ะเนี่ย<ะ>อันนั้นนะอันนั้นเพราะว่าไมันมปฏิบัติผิดก็จะผิดก็<ะ>ที่เมื่อวานได้ถามคําถามหลวงตาไปนะฮะก็ไปสังเกตดูเพิ่มเติม มันแล้วก็เข้าใจคําที่หลวงตาว่าอให้ดูตรงๆไปเลยก็รู้รู้ตรงๆไปเลยโดยที่ถ้ารู้ตรงๆไปเนี่ยมันจะไม่มีตัวเราก็ก็คิดว่าผมสังเกตตรงนี้พอได้พอพอจะเห็นตรงนี้อยู่ใช่ไหมฮะแต่ผมก็ไม่ได้น่ใจว่าผมไม่ได้คิดไปเองนะะก็เห็นเห็นตรงๆมันไปอยู่เป็นไงแล้วสงสัยอะไรไหม ก็คิดว่าไม่สงสัยเลยฮะก็เวลาหลวงตาสอนคนอื่นก็จะนั่งพิจารณาดูว่าเอ๊ะถ้าเขาถามอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจเข้าใจตรงไหมยอะไรเงี้ยคือถ้าเขาถามอย่างงี้เอ๊ะมันมันคือผิดมันคือไม่ถูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลวงตาแก้ให้ก็บอกอ๋อเข้าใจเข้าใจอะไรอย่างงี้ก็เป็นความเข้าใจที่ที่ตรงถูกใช่ไหมฮะผมไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาไปดูอีกใช่ไหมฮะเออถูกแต่ยังเอ๊ เวลาปฏิบัติยังยังเห็นไม่หมดเข้าใจนะถูก้วแต่เวลาปฏิบัติเห็นเห็นไม่หมดคือตอนเนี้ถนอมเอาไว้เอาตัวปรุงแต่งเนี่ยมาเป็นตัวเราเป็นผู้รู้เอาตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งเอามันเอาไอตัวเราเนี่ยเอาไปตัวเป็นวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยตึกตองเอออันนี้อันนี้อันนี่เราเข้าใจแล้วอย่างวุ่นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเอาตัวเราเนี่ยไปตัวปรุงแต่งได้หรือเอาตัวขันน้าเนี่ยมาเป็นตัวเรามันไม่เป็นรู้เนี่ย เป็นเป็นธรรมชาติรู้ที่ไม่มีตัวตน่ะเราแท้ๆเป็นธรรมชาติรู้ที่ไม่มีตัวตนมันเป็นธรรมชาติมีแต่รู้แต่ตัวตนไม่มีแต่กลายเป็นว่าอาเรากลายเป็นไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปปรุงแต่งได้แต่กระเพื่อมไปไหวตัวได้ก็ย <i> ังเป็นเป็นตัวเรารู้มีตัวเราไปรู้อยู่ไปรู้สิ่งต่างๆอมีตัวเราไปรู้แล้วเราตัวเราก็คิดปรุงแต่ง ออืก็กลายเป็นทั้งตัวเราเอาตัวเราไปรู้แล้วก็เอาตัวเราไปคิดปรุงแต่งออืแล้วเป็นตัวเป็นตนเป็นหอวิชาเป็นตัวเป็นตนเป็นหนอวิชชาไอ้ตัวรู้ที่รู้ตรงๆนี่บางทีมันจะเป็นเป็นบางจังหวะไหมฮะหรือว่ามันยังไม่ยังไม่ถึงตรงนั้นยังไม่หลุดตรงนั้นตอนหนอไม่เข้าใจเว้เนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยตอนหนอไม่เข้าใจเนี่ยมันยังงงๆนะเนี่ยไม่เข้าใจเราเห็นแล้วงง ไม่เข้าใจไหมคือธรรมชาติรู้แท้แท้เนี่ยมันได้แต่รู้เราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้แท้แท้ที่ได้แต่รู้ตัวตนไม่มีคิดปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นวิสังขารหรือเป็นอาสังขาตถาท่ที่ไม่อาจปรุงแต่งได้แต่ถนอมเนี่ยเอาตัวไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปพยายามรู้แล้วก็ไปไข้ควรไปประมวลผลเนี่ยมันผิดตั้งสองตัวเลยคือเอาตัวเราไปพยายามรู้แล้วก็ เอาไปพยายามคิดปรุงแต่งใครควรวิเคราะห์วิจารวิจัยพยายามจะคิดให้มันเข้าใจมันผิดสองตัวเลยนะเนี่ยอืมคือกลายว่าผิดทั้งพยายามปรุงแต่งเอาไปเป็นรู้ปรุงแต่งเอาไปเป็นคิดมันเป็นสังขารทั้งคู่เนี่ยมันมันเราจะแท้มันเป็นรู้มันเป็นธรรมชาติที่รู้ที่สังขารไม่ได้เป็นวิสังขารเป็นอสังขารธาตุเดี๋ยวมันจะไม่ฟิ้ง่ะเนี่ยยังงงอยู่มีข้อหมายก็จะมากอยู่ในใจเต็มเลยน่ะเอ๊ะไม่น่างงเะแล้วฟังฟังเล ที่เราตรงไลน์ใหม่ๆไปเนี่ยติดฟังฟังตลอดทุกอันเลยฮะฟังทุกอันเลยแล้วทำไมไม่งงทาไมงงฮะตรงนี้ที่เราพูดเนี่ยทำไมไม่เพราะว่ามันแถกล้างหลัๆนี่มันมีแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นเลยอ่าใช่แต่พูดแต่เรื่องรู้รู้ตรงๆรู้โดยที่ไม่มีตัวตนจะย้ําตรงนี้ตลอดอืมอืมแล้วทำไมพอเราเราพูดตรงนี้แล้วงงอะไรเนี่ยนี่เนี่ยเครื่องหมายเครจิ้มาเต็มเลยมันเป็นยังไงงงอะไรอืม เมื่อวานที่คุยหลวงตาก็ยังรู้สึกว่าเข้าใจดีมันม <c oughs> ันกลับไปกลับมาเมื่อวานที่หลวงตายกตัวอย่างเรื่องเรื่องผีหมากลัวผีอะไรนั่นฮะอืมอ <c oughs> ือก็แสดมันวนวนกลับไปเป็นตัวตัวไปคุ่นคิดคุ้ น, น, ด, น, นดูนู่นดูนี่คิดอีกก็นั่นอะไรกักลับไปเป็นตัวนั้นอีก <c oughs> ใช่ไมใช่ใช่อืมอือก็แสดงว่ายังไม่เห็น จะไม่เห็นตัวตัวไอตัวธาตุธาตุรู้จริงๆที่มันเป็นตัวว่างๆ่างมันไปเห็นนะจะไปหาจะเห็นจะไปพยายามหาให้มันเห็นว่าปรุงแต่งตายอืมให้เห็นตก่อนว่าเนี่ยมันมีเราเนี่ยหลงมเป็นตัวปรุงแต่งเราหลงมาเป็นตัวปรุงแต่งตอนนี้หลงมาปลงไปปรุงแต่งรู้หลงไปปรุงแต่งคิดหลงไปปรุงแต่งรู้หลงไปปรุงแต่งคิดอยู่ตอนเนี้ยถ้ายังไม่ทิ้งสัสงขารนะไม่อาจมีธรรมที่มั่นโคงมันจะไปเห็นไอ้ธรรมชาติของธาตุรู้ไม่ได้หรอก ไอ้ตอนนี้มันยังหลงปรุงแต่งอยู่จะไปยังพยายามไปหาธรรมชาติของธาตุรู้ที่เป็นรู้ตามธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนน ะ, <sidewalk. S 1> นะคือตอนนี้มันยังหลงปรุงแต่งรู้ปรงแต่งคิดปรุงแต่งรู้ปรุงแต่งคิดมันจะไม่มีโอกาสเลยที่จะไปเจอไปไ ป, ไปเข้าใจเรื่องธาตุรู้ได้เพราะมันจะไ ม, ไม่ไม่พบได้นอกจากว่าพ้นจากความปรุงแต่งแล้วคือไม่หลงเไม่หลงเอาเอาตัวเราเนี่ย เป็นตัวปรุงแต่งแล้วไม่หลงกับตัวปรุงแต่งเนี่ยจิตคิดปรุงแต่งมาเป็นตัวเรามันก็ต้องสิ้นหลงตรงนี้ก่อนมันถึงจะพบรู้ที่ไม่ปรุงแต่งแต่ตอนเนี้ละหนอมยังยังงงๆยังไม่เข้าใจเรื่องเฮ้ยทาไมเราปรุงแต่งแล้วไม่ปรุงแต่งเราเป็นรู้ยังไงเราจะพบรู้ได้ยังไงก็ยังคิดอยู่ในเนี่ยยังเอาตัวเราไปคิดเป็นตั ว, ตวปรุงแต่งอยู่ดีเนะี่ยใช่ไ <Yeah. S 1> ตอนนี้กาลังคิดอยู่ในใจ่ะ มันเป็นตัวเราะก็พยายามมันไปพยายามพยายามจะเอ๊ะดูยังไงที่ให้มันตรงกับที่หลวงตาอธิบายอืมไปพยายามดูมันก็เป็นพยายามมันก็กลายเป็นปรุงแต่งตลอดเลยพยาพยามพยายามพยายามจะดูพยายามจะทำความเ ข, ข้าใจมันยังเป็นปรุงแต่งปรุงแต่งตลอดเลยมันต้องเห็นความปรุงแต่งแล้วไม่แล้วความปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นธรรมารมเป็นสิ่งที่ถูกรู้ เห็นว่าความปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งเนี่ยแม้แต่เรามีการปรุงแต่งรู้ปรุงแต่งคิดปรุงแต่งเห็นปรุงแต่งรู้ปรุงแต่งคิดปรุงแต่งเห็นเนี่ยก็ไอ้ตัวเนี้ยที่มันไปตั้งรู้ตั้งดูตั้งเห็นตั้งตามคอามเข้าใจพยายามพยายามอะันเนี้ยมันเป็นตัวปรุงแต่งปรุงแต่งหมดเหล่านี้ยเป็นธรรมลมทั้งหมดเป็นอายตนะภายนอกอุ้มไอ้ตั้งคิดอย่างเงี้ยหลงตายไม่ได้จะนหนอไม่เอาเอามาให้คนเดินตั่งคิดอย่างเงี้หลงตายแล้วเนี่ย เพราะว่ามันอย่างนี้ไม่ไม่มีโอกาสไปรู้หรอกเพราะว่านั่งคิดเอาคิดเอาคิดเอาอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นหลงฟังขานตายเลยเนี่ยเอาคนอื่นก่อนนะเดี๋ยววนมารอบสองเอาใหม่ไปการ ล, ล, ลมะมาสการหลวงพ่อนะคะ ใช่เวลาที่เราเหมือนพอความคิดผ่านเข้ามาก็คิดแล้วมันก็จบไปเลยอย่างนี้หรือเดี๋ยวที่ว่าจบไปเลยเหมือนที่ไงไม่เข้าใจคือเหมือนเหมือนเราเหมือนมีความคิดผ่านเข้ามาแล้วก็รู้ว่าคิดอันเนี้ยคิดพอเราหัานไปแล้วก็รู้เออเราหัานอย่างนี้ป่ะคะแล้วทำไมว่าจบอะไรคือจบยังไงที่ว่าจบคือเหมือน ความคิดมันมันผ่านเข้ามาแล้วมันก็มีอะไรอยู่ในความคิดแต่เราไม่ไปสนใจมันนะค่ะเนอก็อย่างงั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่าความคิดดับไปนะอไม่ใช่ว่าพอว่ามีคิดกันมาปุ๊บพอเราไปเห็นมันไม่คิดปุ๊ความคิดดับไปอันนี้ยผิดเนี่ยไปตะกดจิตอ๋อมาราไปกลกดไปกดมันไว้อย่างเงี้ยเหรอใช่ใต้องปล่อยให้มันคิดไปอย่างเงี้ยเหรอะขาเนี่ยมันเป็นอายตนะภายนอกความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเป็นอายตนะภายนอกเป็นธรรมอารมณ์มันก็ธรรมอารมณ์ก็เหมือนกับเนี่ยรูป เป็นอายัดธนาภายนอกเสียงเป็นอายัดนาภายนอกเวลาเรารับรู้รูปซึ่งเป็นอายัดธนาภายนอกพอรับรู้รูปพอรูปผ่านมาปุ๊บพอเราเห็นรูปปุ๊บรูปหายไปเลยเป็นไหมไม่ค่ะก็ยังอยู่อย่างเดิมอ้าวแล้วทําไมความคิดมันเห็นความคิดปุ๊บความคิดหายปั๊บไปเลยล่ะอ๋ออย่างนี้แสดง ว, ว่ายังไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ <S <S <S <อ>คือได้ยินเสียงลงตาเนี่ยพอได้ยินเสียงลงตาปุ๊บ สีน้องตาดับเลยเป็นไหมไม่มไม่ค่ะแล้ ว, ล ว, วทำไมอไอ้ธรรมอารมณ์อ่ะมันก็เป็นอายตนาภายนอกมันรูปเหมือนเสียงเนี่ยทำไมดับได้ละ่ะทำไมไป็นรูปปุ๊บดับปั๊บเลยละ่ะผิดแล้วอ๋ออย่าไปดับอย่าพยายามไปดับมันให้ให้มันไปรรมชาติแล้เทียบกับประตูตาประตูตะตหูเนี่ยมันเป็นอายตนาภายนอกเหมือนกันเน่ะรูป ก, ก็เป็นอายตนาภายนอกเสียงเป็นอายตนาภายนอกความรู้สึกเมื่อคิดอารมณ์ภายในใจเราก็เป็นอายตนาภายนอกอ ไม่เราไม่รู้เรารู้มันแล้วมันจะมีอะไรดับไปหรอกได้แต่ว่าก็แค่รู้แค่ได้เห็นแต่ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้เหมือนเราไม่ไปสนใจกับมันก็เห็นกันอยู่เนี่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอถ้าไม่มีใครมีค่ามีความหมายต่อใจไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสอะไรเนี่ยผู้ชายก็มีอยู่เต็มในห้องเนี้ยผู้หญิงก็ม่อยู่เต็มในห้องเนี่ยถ้าไม่มีใครมีค่ามีความหมายต่อใจก็รับรู้กันตามปกติเนี่ยตาก็เห็นหูก็ได้ยินเนี่ยรับรู้ตามปกติ แต่มันก็ไม่มีกิเลสและความทุกข์อะไรถ้ามันก็ทุกคนในห้องเนี้ยไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเราพิเศษก็ไม่มีกิเลสและมีความทุกข์อะไรก็มองดูไปงั้นเหรอคะอ๋อก็ต้องไปมองก็ทําไมตาก็เห็นอยู่เนี้ยนะตาเขาก็มองเห็นก็ไปนั่งมองเขาทาไมล่ะนั่งมองเขาเนี้มันกรณีพิเศษแล้วไปจ้องก็เอาจ้องก็เอามันกรณีพิเศษแล้วแค่รู้แล้วก็ผ่านไปออย่างนี้เหรอคะ แค่เห็นแล้วก็ผ่านไปทุกคนก็ยังนั่งอยู่เนี่ยไหนมีใครผ่านตัวเห็นแล้วมีใครมีใครผ่านไปที่ไหนอ่ะเห็นเห็นเนี่ยใครทุกคนก็นั่งอยู่เนี่ยก็ไหนแล้วใครผ่านไปที่ไหนอ่ะเข้าใจละก็คือเห็นเห็นก็คือเห็นเนี่ยก็แค่ได้เห็นเนี่ยแต่ไม่มีใครไม่มีอะไรมีค่ามีความหมายต่อใจมันก็ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์อะไรก็แค่เนี้ซื่อตรงไปตรงมาอย่างพระพุาก็เนี่ยเปรียบเทียบแล้วจะมีอะไรผ่านมีอะไรจบเดี๋ยวเดีย ก็ทุกคนก็ยังนั่งอยู่เนี่ยมันจะว่าเห็นปุ๊บทุกคนหายแวบเห็นปุ๊บทุกคนหายแวบไปมันเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่เราปฏิบัตินะพอทำอารมณ์มันก็เป็นไวยาทนาภายนอกอะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็เป็นอวยตนาภายนอกเหมือนกันเนี่ยมันมันเป็นภายนอกนะไวยาทนาภายนอกนะทำอารมณ์เนี่ยควารู้สึกนึกคิดอารมณ์อะมันก็เป็นอวยาภายนาภายนอกแบบเดียวกับรูปกับเสียงเนี่ยเราไปเห็นปุ๊บมันหายแวบไปเมื่อไหร่นะรูปเห็นก็ยังเห็นเนี่ยก็ยังนั่งกันอยู่เต็ม แต่มันไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจแค่นั้นแหะใจมันแล้วไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในใจเราทุกขณะปัจจุบันน่ยที่มันเกิดขึ้นเน่ยเรารู้มันแล้วมันก็ไม่มีคาม่าไม่มีความหมายต่อใจมันก็ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์อะไรเลยไม่ใช่ว่ารู้แล้วทําอะไรให้ใจหายหายไปไม่ใช่ไปรู้แล้วทําอะไรให้มันหายไปไม่ใช่รู้แล้วเราก็ผ่านไปผ่านปล่อยมันผ่านไปผ่านไปมันจะผ่านไม่ผ่านก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจก็แค่รู้แค่นั้นแหละเมื่อก่อนเนี่ยรู้อย่างธรรมดาซื่ เขาจะผ่านไปไม่ผ่านไปทุกคนก็ยังนั uh ่งอยู uh ่ในห้องเนี้ยนั่งฟังธรรมอยู่ในห้องเนี้ยพรไม่เห็นมันจะมีกิเลสมีทุกอะไรต่อเขาเลยแล้วเห็นต้องมาจ้างนั่งจ้องมองเขาเลยไปจ้องมองเขาทำไมอ่ะเอาจ้องมองเขาเนี่ยเดี๋ยวเกิดกิเลสออืมนี่ไอ้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกถ้าเราไปนั่งไปพยายามจ้องมองมขาเนี่ยเดี๋ยวเกิดกิเลสมันทําผิดธรรมชาติก็รับรู้อย่างตามปกติเนี่ยมีตามันก็เห็นเลยมีหูก็ได้ยินมีเนี่ยมีใจมันก็รู้ขึ้นมาเลย ก็ดูไปเรื่อยอย่างเงี้ยลรอคะรู้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยหระอ๋อก็ตาก็ต้องเห็นหู <c oughs> ก็ต้องได้ยินจมูกก็ต้องได้ก <c oughs> ลิน่นลิ้นก็ต้องรู้รสกายกายก็ต้องรู้ส้องผ่าใจก็ต้องรู้มันเป็นธรรมชาติมันก็ต้องรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายอะ่ะโอ้ไม่ว่าอะไรที่มากระทบถาวรทั้งหมดก็รู้ไปเรื่อยอยางเใช่แต่จะกว่าจะตายอะ่ะ <c oughs> แต่ทั้งประตูตั้งหกอ่ะไม่มีอะไรมีค่ามีความหมายต่อใจมันก็ไม่มีกิเลสแล้วมีความทุกข์อะไรเลยไม่ใช่รู้อะไรแล้วให้ดับปุ๊บรู้อะไรเีแย หลายคนไปปฏิบัติแบบนี้เราไปจ้องเอาจ้องเอาเี้ยะเอาอมันไปเพ่งก็ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นปล่ะการรับรู้ธรรมชาติการรบรู้ทางทวารทั้ ง, งหกเป็นอย่างนั้นไหมเออมันก็ไม่เป็นอย่างนั้ น, นไม่จะ เ, เ, เพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งเอาเพ่งทำไมอ่ะก็แค่มองใหมือยังมองอยู่อ๋อชัดๆเดี๋ยวเราไม่อยู่นี่มันตีกลับมาอีกอ่ะ ความผิดอ่ะเราก็จะผิดอ่ะเพรามันชัดๆเลยมันเคลียเอาช่วยกันก็ได้เอาไม้สองตัวช่วยกันนั่งข้างกันเนี่ยเอาไม้ไอีกตัวช่วยกันเอาสองคนช่วยกันเหมือนยังไงดีก็คือแค่แค่แค่รู้ เ, เฉยๆคะ่ะเท่าที่เข้าใจนะคะก็คือเหมือนว่าคืออะไรปรากฏก็แล้วแต่ นะคะก็คือแค่รู้แล้วก็วางแต่มันกเกิดขึ้นอีกแล้วก็รู้แล้วก็วางแต่ไม่ให้แต่ไม่ให้ฆ่าใช่ไหยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตาไปเห็นหูก็ได้ยินเนี่ยอาการทางใจมันเกิดขึ้นมันก็แล้วก็แค่รับรู้รับทราบค่ะมันก็ไม่ไป เอาสิ่งใดมามีค่ามีความหมายต่อใจมันมันก็เท่ากับว่านี่ไม่ยึดถืออะไรให้มันเป็นกิเลสแล้วก่อนทุกเนี่ยเขาเรียกว่าวางแล้วเขาเรียกว่าปล่อยวางหรือว่าเมื่อไม่ยึดถือแล้วไม่ต้องวางก็ไม่ต้องวางอะไรนี่แหละเขาวางวางไปแล้วแต่ถ้ายึดถือก็ต้องวางไปยึดเขาวัก็ต้องวางไม่ยึดถืออะไรก็ไม่ต้องวางก็เนี่ยมันก็นั่งอยู่ในเนี้ยตาก็มองเห็นผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหนั่งฟังธรรมเนี่ย เราไม่เห็นต้องไปวางอะไรเลยดูละวางรู้ละวางดูละวางรู้ละววางไม่เห็นต้องไปวางใครเลยเด็กกับเขาก็นั่งกันอยู่ตรงเนี้ยไม่เห็นต้องวางใครเลยเนี่ยเราวางเฉพาะที Man ่เราไปยึดอืพอไปยึดแล้วเนี่ยใจมันเป็นทุกเรารู้ว่าตอนเนี้ยเรายึดแล้วใจเป็นทุกข์ก็ต้องวางเพื่อมาวางความยึดนะวางความยึดใจมันก็ไม่ทุกข์วางวางความให้ค่าให้ความสำคัญยึดถือเขามันวางวางตัวเนี้ยวางให้ค่าให้ความสาคัญวางความยึดถือเขาเขาก็ยังอยู่อย่างนั้นเนี่ยแต่ใจมันก็ไม่ทุกข์ คือไปยึดหน้าขนาดจิตนั้นมันเลยใจเป็นทุกข์กวางความยึดลงไปมันก็ไม่ไม่ทุกอะไรมีผัวมีเมียมีลูกมีหลานก็อยู่ในบ้านนั้นแนะแต่ใจไม่ไปยึดเขามันก็ไม่ทุกอะไรมีความรักกันได้แต่ไม่ยึดกันเออในขณะจิตถ้าไม่ไปยึดกันถ้ายึดกันมันก็ต้องมีอาการทางใจแหละเป็นทุกข์มีความห่วงใยมีความกังวลเอแต่ความรักมีได้ทำหน้าที่ต่อการโดยสมบูรณ์แต่ไม่ยึดกันให้เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าก็รักพิมพานะรักลาหุนนะ่นขนาดตัดสรุปพระพุทธเจ้าแล้วยังกลับมาสอนพิมพาให้บรรลุอลหรหันต์เลยสอนลาหุ่นลูกชายให้บรรลุอลหรหันต์เลยไม่รักจะกลับมาทําไมอ่ะแต่รักได้แต่ไม่ยึดให้เป็นทุกข์มันไม่เหมือนกันนะความรักที่มีหน้าที่ที่ดีต่อการมีความปรารถนาดีต่อกันอันนั้นนะ่ยไม่มีกิเลสและมีความทุกข์อะไรแต่ความยึดกันจะเป็นทุกข์อันเนี้ย มันเป็นความยึดมันเป็นความยึดอันเนี้ยถ้าเราไม่ยึดอะไรก็ไม่ต้องปล่อยวางเพราะมันเหมือนกับเนี้ยในห้องเนี้ยมันก็อยู่กันในกันอย่างเงี้ยเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เห็นกันอยู่เนี่ยเมื่อเราไม่ไปยึดใครเลยอ่ะก็ไปทไําไปวางใครเพราะว่าทุกคนเนี้ยมันก็ม่มีค่าไม่มีความหมายต่อใจเราก็รู้อยู่เนี่ยรู้แก่ใจว่ะรู้แก่ใจว่าผู้หญิงผู้ชายในห้องนี้นั่งอยู่ในกันเนี่ยไม่มีใครมีค่ามีความหมายต่อใจ ใจก็ไม่มีกิเลสแล้วความทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่ารู้แก่ใจรู้แก่ใจไอ้รู้แก่ใจเนี่ยเขาเรียกว่าปัจจัตังมันรู้แก่ใจของเราเองปัจจัตังรู้แก่ใจว่าเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายทอยู่ในห้องเนี่ยไม่มีใครมีค่ามีความหมายต่อใจของเราดังนั้นรู้แล้วเราก็ไม่ต้องไปวางรู้คนนี้วางคนนี้รู้คนนี้วางคนนี้เห็นคนนี้วางคนนี้เห็นคนนี้วางคนนี้มันไม่ต้องวางคือมันไปยึดเขาก็ไม่ต้องวาง แต่ถ้าเรายึดลูกยึดสามีอยู่อย่างนี้ต้องมันก็เป็นทุกข์ใจเริ่มไม่สบายแล้วก็เออวางเขาเดี๋ยวเนี้วางความไปคิดถึงเขาตอนนี้เราจะฟังทำเออมันก็วางไปแล้วเออใจก็ไม่ทุกข์แต่พอนั่งอยู่ที่นี่คิดถึงเขาที่บ้านคิดถึงลูกที่บ้านแล้วใจมันรู้สึกแว๊แวบแวบกังวลใจอย่างเงี้ยมันยึดถือยึดถือหน้าขณะนั้นก็วางลงวางความยึดถือหนขณะนั้นลงเออใจมันก็สงบได้ปัญญาของเจ้าตัวอะไรก็ได้ คิดยังไงก็ได้มันวางความยึดถือลงไปให้ได้ว่าเออมันไม่ไปยึดไปเปคิดถึงขา่าตอนนี้เราจะฟังธรรมเขาก็อยู่บ้านเออเราก็วางความหลงยึดถือไปในขณะจิตนั้นวางลงไปใจมันก็เออไม่ไม่มีความทุกข์ความเครียดเราก็ตั้งฟังธรรมได้เข้าใจไหมเนี่ย